จากนั้นพระองค์จะได้สวยวิมุตติสุขอยู่ในบริเวณต้นโพได้หลายแห่งในในละแวกนั้นจากนั้นจะได้เดินทางไปโปรดปัญจวคีีทั้งห้าวันอาสารหะบูชานวนจะเข้าพรรษาเป็นวันที่พระพุทธองค์ได้เทศให้ปัญจวคีีทั้งห้า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 เพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านว่าพระราหา น, นี่เรียนจบบริบูรณ์เป็นอเสขะร์อเสขะผู้ไม่ต้องศึกษาถ้าต่ำจากจากพระราหันลงมาท่านว่าเป็นพระเสขะเสขะร์ไปพระผู้ยังต้องศึกษาไปยังไม่จบเราะฉะนั้นจะต้องศึกษาอยู่ <Rab. S 1> เป็นพระเสขะเป็นพระอเ<า>ศคาร์อ่ะนำหน้าอน่ะเสขะผู้ไม่ต้องศึกษา